นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุตัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตัสสะ ข้อนอบนอนแด่พระผู้มีพระภาคพระหัตถะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปให้พากันนั่งขับสมาธิเพ็ดการนั่งขับสมาธิเพ็ดนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เกียงตรจงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธภายในใจิตใจในเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนานี้ให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่า เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจลุ่มหลงวุ่นวายไปภายนอกเิ่งใดที่เป็นอดีตอนาคตภายนอกออกไปทั้งหมดสิ้นเราจะต้องปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นความดีใจเสียใจประการใดก็ตามจงทำใจในเวลาปัจจุบันนี้ให้ของไสสาหาร มั่นคงหนักแน่นภายในใจิตใจเอาคนพระพุทธเจ้ามาเึกน้อมไว้ในใจที่ว่าพุทธโธนั้นมือใจของเรามาตั้งโยในหลับปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ได้แล้วจะรู้สึกว่าในจิตใจของเราทุกคน จะมีความเยือกเย็นสบายความวุ่นวายภายนอกก็หายไปนั่นก็ว่ารวมคุณพระพุท ธ, ธเจ้ามาไว้ในใจคุณพระธรรมมาไว้ในใจคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายมาไว้ในจิตใจของเราเจตใจก็ย่อมสงบสงับตั้งมั่นลงไปภายในจิตใจนี้ ดวงจิต ด, ดวงใจของเราทุกคนนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นดนฝ้าใต้ดินก็ไม่ดีมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองเมืม่อเมโยที่นี่จิตใจนั้นถ้าเราตั้งใจให้ดีระลึกให้ทันพิการนาให้ได้ ก็ไม่ใช่เป็นของยุ่งยากประการใดดวงจิตดวงใจนั้นถ้าเราฟังจากเสียงเสียงที่เราได้ยินนี้เรียกว่าเสียงเทศเสียงคำเสียงคำสั่งคำสอนเมื่อเสียงนี้ลอยไปในอากาศก็ไปเข้าโสตเข้าหูของเราทุกคนนั่นเองลหละเมื่อเข้าไปแล้ว มีอะไรอยู่ภายในนี้จึงรู้ว่าเฉียงนั้นผู้รับรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนั่นเองคือดวงจิตดวงใจของเราทุกคนจิตใจดวงนี้ท่านให้ชื่อว่าดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ส่วนผู้รู้พงแต่งคิดนึกไปสังขารจิตภายนอกนั้นอย่าได้ตามมันไป ไม่ต้องตามไปให้ทวนกระแสเข้ามามารวมมาสงบโยในจิตใจของเราขณะ น, นี้เวลานี้ให้จิตใจนี้รวมสงบลงไปในจิตใจให้จงได้รวมใจเข้ามาสงบเข้ามาเนกนงอมภายในจิตใจของเราดวงเดียวให้ได้ จิตใจของเราคนเหล่านั้นไม่มีหลายจิตหลายใจจิตใจจริงๆมีดวงเดียวคือจิตผู้รู้อยู่ในใจนี้เองถ้าหาว่าจิตใจดวงนี้ออกจากร่างกายไปแล้วคนเราก็ตายหมดลมหายใจเมื่อใดก็ตายจิตผู้รู้หนีจากร่างกายแล้ว ลำพังร่างกายนี้จะอยู่ไม่ได้เลยต้องตายแน่แน่เน่แหละมรณะภัยคือความตายก็ใกล้ที่สุดคนเราเมื่อเราไม่นึกไม่พิจารณาให้ดีเพราะว่าเหมือนก่อว่าความตายมันอยู่ห่างไกลหรือว่าอยู่ที่อื่นคนอื่นผู้อื่นเขาแกกเขาตายไปที่โน่นที่นี่ แต่ตัวเราคงไม่ตายง่ายงา่ายอันนี้เป็นความคิดความไม่รู้ความหลงไปคิดเอาหมายเอาความตายจะมีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะตายลงไปทุกเวลาลมเข้าไปลมออกมาก็ได้เรานั่งอยู่ดีดตายก็ได้นอนอยู่ดีตายก็ได้ ยูมเดินไปมาที่ไหนตายเมื่อใดที่ไหนไม่เลือกว่าสถานที่ตายของคนเรานั่นในถนนหนทางทุ่งไร่ทุ่งนาป่าดงสงไทยที่ไหนก็ตายได้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายนี่จึงให้พากานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูาภาวนา รวมกําลังเข้ามาสร้างภายในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้อย่าไปมอลังรอว่าเมื่อนั้นก่อนเมื่อนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้นรอว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจะไปล่องขอคนโน้นคนนี้ให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นั้นย่อมช่วยไม่ได้ตนเองต้องช่วยตัวเอง ตนเองพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองอย่างไรพึ่งตัวเองคือภาวนาทําความเพียรภายในจิตใจนี่แหละรวมจิตรวมใจเข้ามาในจิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้ให้ได้ชื่อว่าได้ที่พึ่งจิตมีพลานะที่พึ่งดูงจิตใจสงบสงับจิตใจมีสติใจมีสมาธิ จิตตั้งมักใจมีปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายที่เลตมานสังขารมานอันใดอันหนึง่งที่มันจะมาทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเราจะต้องตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนับแน่อย่าไปเชื่อไปหลงตามความคิดหมายของตัวเอง กิเลสมานสังขารมานนั้นเชื่อไม่ได้เราต้องเชื่อต่อคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวัเมื่อเราเชื่อต่อคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้นั่งภาวนาหลับตาโน๊ะใบจมภาวนาพุโทโธรวมจิตใจเข้าไปเมื่อเราทําตามปฏิบัติตามเข้าไป มันก็ไม่ดีเรื่องยงยากกับการได้เพราะว่าเราตามเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกได้จิตใจมันมีโยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจิตใจคนเราไม่ดีจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวใน <c oughs> ใจของเราทุกเวลา ร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนไปมาก็ผู้มีจิตใจคลองอยู่ในร่างกายอันนี้จิตใจดวงสู่รูปมีโยภายในจิตใจให้สังเกตรวมจิตร ว, วมใจเข้ามาให้ที่ดวงใจที่รู้อยู่ในใจของเราไม่ใช่อยู่ภายนอกถ้าการย์โภายนอกนั้นชันว่าสังขารจิต ยืนงานจิทีิเลสตัณหาของจิตใจมันพาให้วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกจิตใจตัวผู้รู้จริงๆมันอยู่ภายในให้เราสงบจิตสงบใจรวมจิตใจเข้าไปภายในเถิดจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าไม่รวมไม่สงบเข้าไปภายในนี่ไม่มีทางที่จะรู้ ทางหลงทางนั้นทางภายนอกท่านว่าทางหลงทางหลงทางเมาทางไม่รู้เพื่อว่ามัวเมาแต่เรื่องภายนอกเจ็บกายดวงผู้รู้ของตัวเองมีอยู่ภายในก็ไม่ดูไม่พิจจละนานางไม่รวมไม่ทําใจให้สงบลระงับ ท่านให้ตั้งใจลงไปว่าสิ่งอื่นใด น, นอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่ออกไปทั้งหมดะนิจจังไม่เที่ยงไม่ต้องไปทุกขังเป็นทุกข์เปล่าเปล่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้รวมให้สงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้ผู้เห็นนีโยในหัวใจของตนเดี๋ยวนี้ขณะนี้ เดี๋ยวในขณะนี้ให้ใจเรามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ให้ออกไปตามอารมณ์เช่นนั้นถ้าเรารวมเข้ามาได้เมื่อใดเวลาใดจะมีความรู้สึกในตัวในใจว่าจิตใจสบายโลกโปรงเย็นสบายหรือว่าร่างกายเบาร่างกายสว่างสวัย จิตใจที่วุ่นวายร้อนด้วยกิเลสลาคะก็หายไปร้อนด้วยกิเลสโทสะก็หายไปเรียนเลือด้อนด้วยกิเลสโมหะก็หายไปจิตใจก็ตั้งมั่นโยในใจกำหนดได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรื่อว่าใจอยู่ในใจจริงๆ ขอเราเมื่อจิตใจอยู่ในจิตในใจจริงๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปนะมาพูดกาปลาใสก็มีสติสติคือความเราเลิกได้ในจิตในใจในตัวของเราอยู่เสมอว่าจริงใดควรทำจริงใดไม่ควรทำจริงใดควรพูดจริงใดไม่ควรพูดพูดเสียงแรงเสียงคล้อยค่อยเสียงอย่างใดก็ต้อง รู้จักประมาณรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณในการพูดการทําการคิดภายในจิตใจนั่นการคิดการเจริญท่านก็ให้คิดให้เจริญในทางสมาธิภาวนารวบรวมกําลังจิตใจของเราเข้ามาภายในไม่ให้รั่วไหลไปตามกระแสอารมณ์ภายนอกผูกลมเข้าผูกลมออกให้มีสติ พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ภาวานาในคืนวันที่พระองค์จะได้ตัดสะดุนั้นพระองค์เอาอนาปาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจหลงลืมในเวลาลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ตามดับรับรู้อยู่ตลอดเวลาระวังรักษาไม่ให้ใจไปที่อื่น จิตใจรวมกำลังลงไปที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองดวงจิต ด, ดวงใจของตัวองค์จึงได้สงบสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆลงไปชื่อว่าความสงบอย่างต่ำความสงบอย่างกลางความสงบอย่างสูงสุดก็มีอยู่ในน้มสัตยใจสะพุติเจ้านั่นเอง เมื่อมีเต็มเตียมแลว้วพระองค์ก็ได้ตรัสลูคาอนุตตรสัมมาสัมปोธิยานในคืนวันนั้นนั่นแหละพระองค์อนาภาวนาอนาปานนตสิรรมถานเราทุกคนก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกด้วยกันทุกคน แต่ว่าเราปล่อยให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเสียเปล่าเป่าชาติไม่โยในลมชาติไม่ยในใจปัญญาไม่รอบลูในกองสังขารให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ลมออกมาใครเป็นผู้รู้ดวงจิตผู้รู้มีโยในใจ จงรวมจิตใจตรงนี้เข้าไปภายในหาวจนให้สงบรัง อ, งอับตั้งมันจิตเลาะและวันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสทายลอกจงเลิกละพดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาคคำว่าใจสะอาดใจขาวใจสะอาด ใจไม่คิดคิดษาพยาบาทพาฆ่าจองเกณฑ์ใครใจิตใจไม่โกรธให้ใครไม่เกียดไม่ทางใครมีใจิตใจอันตั้งมั่นวางเฉยอยู่ได้ในหัวใจของตัวเองไม่ร้าร้อนด้วยกิเลสในใจที่มันมีอยู่กิเลสในใจมีอยู่ที่ไหนก็เพียนละออกไปวางออกไปไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติม สิ่งใดที่มันจะทําไปตามอํานาจกิเลสความโกรธเราก็ไม่ทําเลิกละสิ่งที่จะทํานั้นเสียสิ่งใดที่มันจะพูดไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็รังับเสียไม่พูดไปตามสิ่งใดที่มันชอบคิดไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองนั้นก็ไม่คิดไปตาม รวมใจสงบใจมาอยู่ในตัวในใจของตนให้ได้เมื่อมาสงบจิตใจของตนให้ตั้งมั่นโยภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลมหายใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออก สวนใจของเราไม่ให้กระมาะเดี๋ยวนี้คนเรามันประมาะหมัวเมาคิดไปหมายไปไไปรุงแต่งไปตามอำนาจที่แหลกนายใจของตัวเองไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจถ้าใจของเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจแล้ว นั่งก็สบายยืนเดินนั่งนอนไปนะันก็สบายทางนั้นเพราะว่าเป็นผู้ปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆไม่มีอารมณ์ใดมาผูกมัดลับลึงไว้ในหัวใจพุทธะพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็อยู่เต็มดวงใจอยู่ตลอดเวลาโมโหโทโสกุ่งส่านลำคาญต่างๆย่อมหายอันตรฐานไป ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้เป็นตนประมาวอยู่ด้วยความไม่กระมาวการลลึกอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพับผ้าจากของรักของเจบใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นความตายเป็นบ้นสุดท้ายแห่งกองทุกแล้วสิ่งที่ จะมาปรากฏคือความตายนั้นมันก็ไม่อยู่ไกลมันอยู่ในใจในตัวเรานี่ทั้งนั้นคำว่าตายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมเป็นตัวตนคนเหล่านี่เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยลงไปมันก็หยุดมันหยุดมันก็ตายตายดินมันตายน้ำไฟลมมันตายทั้งมันเพิด ใจเราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ไม่ตายจิตมันไม่ตายจิตมันไม่ใช่ลูกจิตนี้เป็นนามธรรมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้เราเอาไฟเผาจิตก็ไม่ได้เลือกมันไม่มีตัวเผาก็ไม่ไหมจะคิตทำลายอย่างใดมันทำลายไม่ได้เพราะว่าจิตเป็นธาตุนามธรรม เหมือนกัลมเหมือนกับอากาศว่างเปล่าอย่างนั้นแหละใครจะไปทําให้อากาศลมมันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ได้ใจคนเรานี้ได้แก่ดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราจงเป็นผู้สังเกตรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงไปจึงจะรู้ได้เข้าใจ ถาราวมัวแต่ปล่อยปากละเลยขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิความตั้งมั่นในจิตในใจไม่มีก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาสุดแท่แต่ว่าอารมณ์เรื่องราวกิเลสมานสังขารแลมานมันจะดึงจละล่าจะถูถ่ายไปที่ไหนก็ไปตามอำ น, นาจทีเลสไม่มีความสงบตั้งมั่นในหัวใจ จงควรรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราทุกคนให้มีพละกำลังความสามารถอาหาญอยู่ในจิตใจนี้ให้ได้ลมเข้าไปลมออกมาไม่ใช่ลมมันเองผู้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกผู้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็คือจิตนั่นเองเมื่อจิตนียู่ที่นี้ ทำไมเราไม่รวมจิตใจเข้ามาตั้งตรงนี้ให้รวมจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้ลงไปมื่วรวมตังออกตั้งมั่นลงไปได้จะเห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องไปหาที่คนอื่นให้ลวมกำลังลงไปรู้ที่ไหนตั้งที่นั่นนอกจากจิตใจดวงที่รูอยู่นี้ทั้งหมด เป็นเรื่องลุ่มหลองมัวเมารอบด้านรอบตัวมาลู่แจง้งปัจอยูันขณะนี่เดี๋ยวนี้เวลานี้เ่าเลิกโยนในจิตใจดวงนี้ทําใจดวงนี้ให้ดีความองค์อาจสหาหัสเสียสละทุกสิก่งทุกอย่างออกจากจิตใจอันนั้นไม่ต้องไปยึดหน้าถือตาไม่ต้องไปยึดตัวถือตอนไม่ย่องไม่ต้องอายุ S <S <an> ว่าโตรเราของเราตัวโตของตตตัวฆ่าของฆ่ามายึดถือทําไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถือก็ไม่มีอะไรถือมาพิมิตรี่กาลณาเพียรเท่งทิจาลณาดูให้เข้าใจภายในจิตใจของตนเมื่อเข้าโยในดวงจิต ด, ดวงใจของตนได้เย็นสบายเมื่อใจเย็นสบาย ไปไหนมาไหนก็ท่องแคล่วว่องไว้มีจิตใจอันทองใสสะอาดโมโหโทโสรใครจะว่าอย่างไรยังใดก็ไม่ไปลาเอาเป็นเรื่องของแต่และบุคคลใครเกิดมาใครแก่ไปใครเจ็บให้ใครตายมันเป็นเรื่องของแต่และบุคคลเย็ดใจเราไม่ให้ไปเยึดไปถือในอาการภายนอก พกขณะุกเวลาจิตใจให้มารู้อยู่ภายในที่ารนาอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองเชือว่าร่างกายที่จิตใจมาอาศัยอยู่นี้ได้แก่ผมขนและวนันนังเนื้อเอ็นกระดูกลับไตไตพุ ง, งน้ำลวดน้ำเหลืองร่างกายสังขารอันนี้ถ้าเราดูภายในแล้วเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งาม ถ้าเรามองเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจเราจะมีความ ส, สงบเยือกเยนเี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นสภาพภายในของโรค ป, ประันร่างกายเห็นแต่หนังหุ้มเยื่อภายนอกนี้หนังหุ้มเยื่อภายนอกนี้มันติดตั้นไม่ให้น้ำเลืดน้าเหลืองไหลออกมามันเลยไม่เห็นว่าภายในนั่นเป็นอย่างไร เมื่อเวลาร่างกายของเราไปถูกมีดท่าอะไรของแหลมของคมตามเข้าไปกระทบเข้าไปพแคันขนาขาเท่านั้นแหละมันจะมีน้าเลือดไหลออกมาน้าเลือดนําเหลืองไหลออกมาถ้าไหลไม่หยุดไปถูกเส้นเลือดใหญ่ก็ตายเลยแหละนี่ สิ่งเหล่านี้แ่ละคือว่าทำไมใจมันไม่รู้เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ใจไม่รวมใจไม่สงบใจไม่มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเราเมื่อใจไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจุดในใจของเราแล้ใจมันก็ว่าวุ่นไปหมดอาศัยอานาจกิเลสในใจของตนพาไป กิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันไม่โยในตัวในใจความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นนั้นมันมักจะไม่มองเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ผิดมักจะมองออกไปภายนอกว่าคนอื่นโน่นทำให้ทำผิดคนอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้น ความจริงแล้วที่แลกความโกรธนั้นมันโยนในใจของเราเมื่อเวลาไม่มีอารมณ์เลื่งลายจะลาวจะให้โกรธก็ตามแต่ความโกรธนี่นมันเป็นเขา้าเป็นฐานเหมือนฐานไฟแดงอยู่นั่นแหละพอมีอะไรมากระทบขึ้นมามันก็ไฟไมันก็ลุกขึ้นที่แหลบในใจของคนเรามันนอนอยู่ในกายในใจ ถ้าไม่ภาวานาแก้ไขไม่ละไม่ถอนแล้วมันวางออกไปไม่ได้มันยึดโยนั่นถืออยู่นะเมื่ อ, อยึดโยถือโยเมื่อระทบภายนอกแล้วเอาแล้วลบขึ้นโปรดให้คนโ น, น้นโปรดให้คนนี้ทำไมไม่โปรดให้ใจของตัวเองแล้วพามาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ไม่จบในสิ้นสักที จนหาเวลาภาว น, นาทำความเพียรละกิเลสไม่ได้เราก็ยังไปเชื่อไปหลงสังขารมานกิเลสมานที่มันมาอยู่วยุให้จิตใจคนเราลุ่มหลงมัวเมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ทลายจนถึงวันตายก็ยังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในจิตนั้นตายแล้วก็อน เเอาถือเอาเอาวิชาตัณหาในจิตใจนั่นไปอีกไปแล้วก็ไปเกิดไปตายวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเวลานั่งสมาธิภาวานาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จงให้พากันตั้งอกตั้งใจประกอบกิรทำให้เกิดให้ดีขึ้นไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลา เวลาไม่ได้มาทำอะไรให้แก่เราเวลามีโยใจเราก็ต้องปฏิบัติโยทาภาวนาทำละจิตใจของตัวเองให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวที่สะอาที่สะอาดใจที่สะอาดคือว่าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาตในสะกูลในตัวเราในของเรา จิตใจนั้นจึงให้ตัวเป็นดวงจิตดวงใจอันทองใสสะอาดตั้งมั่นเชื่องตรงรงที่อโยภายในจิตใจของเรานั่นเองจึงจะใสาาใสะอาดห้าใจไปมัวในกิเลสต่างๆไปยึดไปถือว่าคนโน้นด่าให้ข้าไปเจ้าคนนี้ว่าลายให้ข้าไปเจ้าคนนั่นสาหัสสาหารข้าไปเจ้า มัวแต่จะไปเย็ดภายนอกอยู่อย่างนั้นจุดก็ไม่มีเวลาสงบไม่มีเวลาตั้งมั่นลงไปได้จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เข้ามาภายในจนมีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายในหัวใจใจคนเราถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในองค์พุทธะพุทโธจริงๆแล้ว ย่อมมีความสุขมีความเย็นสบายเมื่อใจเย็นสบายตัวเองก็รู้จักว่ามันเป็นความสุขความสบายบุคคลผู้อื่นก็รู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าคนนั้นใจร้อนใจแสาใจไม่สบายคนนั้นใจดีใจงามใจภาวนาย่อมรู้ได้เข้าใจ บูเวลาคนเราบางคนที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในอกในใจจนกระทั่งร้องให้น้ำตาไหลก็คิดโตให้ดีว่ามันมาจากไหนกน็เพราะว่าใจไม่รู้ใจไม่ภาวนาใจไม่ให้ปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันที่แรกเหล่านั้นมันก็มาหมักหมมอยู่ในหัวใจ ความทุกข์ใจก็มีอยู่ตลอดเวลามันเข้าแป่เอาซึ่งกองทุกข์ในโลกนี้ผลชื่อสดก็เป็นทุกข์ใจเปล่าๆ เ, เวลาเราภาวานานึกก็ดิจัมพุโทโธภายในจิตใจนี่เจ้า ว, ว่าเป็นเวลาที่เราปล่อยเราวางเราโลิกเราละเราไม่ต้องไปเอาอะไรเข้ามาแล้วเท่าที่มันมีอยู่นี่มันจะเป็นภาละอันหนะัก ขันทั้งห้าเป็นพาละอันนะเมื่อบุคคลผู้ใดมายึดถือเอาซึ่งขันธ์ทั้งห้าก็เป็นทุกข์ในโลกผู้ใดมามองเห็นได้ว่าขันธ์ทั้งห้าเราจะไม่ยึดถือลอยวางมันออกไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราธาตุดินน้ำไฟลมธาตุโลกของเขาในโลกนี้เป็นเรือนล่างของสิเลตลาพระโพธโมหะ เราไม่ต้องต่อตัวไม่ส่งเสริมภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปโกรธไปว่าให้ใครว่าให้หัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้ได้ จิตใจดวงผู้โลมีโยภายในเราต้องตักเตือนภาวนาเตือนสติให้สติแก่ดวงจิตดว ง, งใจดวงนี้ธรรมดาใจนี้ทันวาเหมือนทาลกยังไม่ลู้เพียงสาเห็นอะไรมันก็จะจับจะต้องสิ่งนั้นแม่ไฟก็ไม่รู้ฉันใดใจที่ไม่ภาวนาใจไม่สงบสงับ กิเลสราคะก็ไม่รู้ี่เลสโทสะก็ไม่เห็นก่เลสโมหะยิ่งแล้วใหญ่การปิดบังอำพรางตัวตนบุคคลเราให้มกมุ่นอยู่ในกิเล ส, สกรามวัตถุกรามตัวพันอยู่ในกองกิเลสไม่มีสิ่ทนสดผลชื่อสดจิตใจยังมีโย ร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้วสลาภาพบ้างหรือว่ามีโรคภัยมาเดือดเดียนมากเข้าว่าจำตนต้องแตกต้องทำลายตายไปเป็นธรรมดาของรูปร่างกายของของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสาเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่าง พระองค์จึงทรงตัดใบว่ายิรเยนะทุกขมักเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านพู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกข์ได้ความเพียร น, นี่ก็ตั้งใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแต่ภาวนาบทใ ด, ข, ดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตได้ แล้วจิตใจของคนเราก็ต้องให้มีขันติความอดทนด้วยขันติความอดทน น, นนี้ก็เป็นบา ร, รมีข้อสําคัญคนเราถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความอดทนนี้แหละเป็นเครื่องประดับของนักบา นักปราดราสบันดิตในทางพุทธศาสนานี้ท่านมีความอดทนขันตีธีรัลลังกาโลขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราดมาตั้งแต่ครั้งพุทธศาสนา คนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นเริ่มหลักไม่ได้คือว่าทัจักความจริงใจทำอันใดถ้าทำไม่มีสัจจ์พูดอะไรไม่มีสัจจ์คิดอะไรไม่มีสัจจ์ต้องให้มีสัจจ์อยู่ในใจ เมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจ์มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานหลักษานจินภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จะเจริญก้าวหน้าไปนั่น จะต้องอาศัาายการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลิกไม่เลิกล้มความเพี่ยนมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไรก็ชักเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืน อันความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลังชัดจาอธิษฐานนี่ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญวะคำว่าเมตตามีอยู่ สองท่านเองเมตตาตนมุ่งให้ตนมีความสุขกายสบายใจภาวนาให้ได้บรรลุมัคผลเมตตาสัตว์หมายถึงคนถึงสัตว์ถา่ยนอกก็ต้องมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายล่วงเกินเราก็อย่าไป ทกไป่รู้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเขาไม่รู้เมื่อสัตว์โลกเขาไม่รู้เขาก็พู้ไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้คิดไปด้วยความไม่รู้เราผู้รู้ผู้เห็นผู้เรียนผู้ปฏิบัติภาวนาจงทำใจของเราให้มีความสงบครับ เยือเย็นสบายเมความเมตตาบางแห่งท่านเก่าเมตตาหลวงเมตตาหลวงเมตตาใหญ่คำว่าเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เมตตานี้ได้แก่ตั้งใจไว้ให้ว้าไวใ้ใจมันแค่ มนุษย์ก็ดีสัตว์สิงเดลสารก็าตามในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในผมมาโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่พวัคคภูมิลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา ลองกมื่นจั ก, กรวาลแสนโกดจักรวาลหนนันตาจักรวาลจม น, นับไม่ทั่วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเทิดหาพระเจ้าไม่เบียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ขอให้มนุษย์จะัตว์ทั้งหลายอยาได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมากตาถนาให้เห็นว่ามานุษย์คนเราก็าตามตัดสิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ไปญาติเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจองพยายามยังจิตใจอันเมตตาธรรมภายในให้บังเกิดมีขึ้นจนความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเรนไม่มีมีพุทโธคุณประพุทเจ้ากลาบไว้ทุกวัน เมทรรมโมคุณพระธรรมกราบไหว้ทุกวันเมสังโฆ ค, คุณพระอริยสงฆ์กราบไหว้ตะการะบูธาทุกวันเวลาเชื่อว่าเมตตาภายในเมตตาภายนอกเมตตาจนถึงดวงจิต ด, ดวงใจหรือแต่วิญญาณอยู่ท่านก็ให้มีความเมตตาให้ถึงกัน ไม่ให้มีความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และกับท์ทางห้ายเมื่อบุคคลมากรริเนเมตตาธรรมได้ในใจเจตใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงผู้เบคาจิตผู้เบคาธรรมคือว่ามนุษย์และทับย์ทางหลาย ยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในจิตใจใจเราผู้เรียนผู้เบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้ เจ็บเราก็อย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ว่าบางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ ตอนนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทําจิตใจในดวงผู้ลู่อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรือเรายังมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่ น, นในโลกนี้เขาแตกเขาตายเขาทุกข์เขาร้อน ก็ให้รู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขายัางดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาเป็นแก้วมัณนนีโชตแก้วมัณนนีอยู่เสมอมีความเยือกเย็นสบายเป็นสุกภายในจิตใจไม่วุ่นวายภายนอก เนี่แลคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤตตามปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือทำไม่ตาง เข้าถึงได้แล้วไม่ทาไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโสดพระธรรมลมท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบแล้วับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ โอปณญญิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโยในจิตในใจทุกขณะทุกเวลานั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติได้กระทำได้อยู่สม่ำเสมอก็มีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนิทสัพคีติโยวิวัันตุสัพพโลกโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสิริตสนจังมุ ธ, ธาปจายิโน เจตกาโรธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังตาลังถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาตา้เอามือข้างขวาวางทับมือเรื่องต้ตั้งใจบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปภายในน้อมนึกลำนึกเอาพนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าพุโทโธในใจและนึกน้อมให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออก ธาตุลมเป็นธาตุที่เนี่ยวับพัดผ่านไปมาเจตใจของคนเหล่านั้นได้แก่ดวงใจที่มีความรู้อยู่เสียงกระทบมาก็าไปเข้าที่หูก็ไปรู้ที่ใจรูปผ่านทางสายตาก็ไปรู้ที่จิตที่ใจไม่ว่าจิตจะคิดนึกอะไรต่อมีอะไร ก็มีความรู้สึกอยู่ในตัวนในใจนั้นัจบันนี้จิตใจความฟุ้งซ่านลำคามต่างๆต้องระงับดับไปให้หมดสิน้นสิ่งใดอารมณ์ใดเรื่องใดซึ่งเป็นอดีตการล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บมาอีกตั้งใจภาวนาในปัจจุบันนี้เวลานี่ให้ได้ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในใจิตใจเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้จิตใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดวยดวงใจถ้าจิตใจดวงนี้อ่อนแอทอดแ้ไม่สา ม, ม า, า, ารถอา่านปล่อยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในใจเมื่อไม่เลิกไม่ปล่อยจิตใจมันก็นหนักแน่น ล่มหลงไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นมันไม่ได้ทอถอยเหมือนเราทำภาวนาให้ใจดีอันใจที่แสตยออกไปตามเรื่องราวอารมณ์ภายนอกนั้นเป็นน้ำจิตน้ำใจที่อ่อนแอทอแท่ไม่ได้ทบทวนกระแสใจของตนเข้ามาภายในจิตใจก็ได้สื่า ง่วงเหงาเหานอนซึมไปตามเรื่องเพราะไม่ได้กำหนดความชาติความเกิดเป็นทุกข์ทลาความแก่เป็นทุกข์มรณะนะความตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เมื่อยังทรงพระชน์อยู่จงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในยาให้มันลหลงไหลไปภายนอก ดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันอยู่ที่ไหนธาตุลมนี้เป็นธาตุที่ละเอียดจะมองดูได้ด้วยตาหนังไม่เห็นต้องดูลู้ได้ด้วยตาใจคือลมหายใจเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นี้เข้าไปเมื่อลมหายใจออกมามันก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นี้ออกมา หน้าที่ของเราผู้บำเพ็ญภาวนาก็ตั้งลงไปที่จุดศูนย์รูนี้แหละรวมเข้ามาที่นี้สงบลงไปที่นี้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปไม่ให้จิตใจไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือจนยึดล่างยึดกายสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันมายึดมั่นถือมัน่นมองให้เห็นว่า มีรูปร่างกายตัวตนอยู่ที่ไหนก็มีขลารพยาธิมรณะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรามาเพียนเท่งดูให้รู้ได้ทุกลมหายใจจิตใจมันจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนประการใดแต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่หยุดไม่อยู่มันมีแต่ความร้อนในอกในใจ ร้อนด้วยอะไรลาคจีนาไฟคือลาคะโทสกีนาไฟคือโทสะโมหกีนาไฟคือโมหะกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่แหละมันทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์คนเราเมื่อเรารู้สึกสํานึกตัวอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งใจเอาจิตใจกิเลสให้มันออกไป ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในตั้งลงไปให้มั่นคงจชิงอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ออกไปนอกทั้งหมดต้องปล่อยวางไม่ต้องไปยึดไปถือดีใจเสียใจเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องจิตใจเป็นผู้หลุมหลงมัวเมา เมื่อเรามาภาวนาพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณคนพระศีรษะจันทรนึกน้อมไว้ในหัวใจจิตใจมันก็จะค่อยเจ็นสบายลงไปโดยลำดับลำดับเพราะเพราะว่าจิตใจเนี่มันมีดวงเดียวถ้าเรารวมจิตรวมใจได้อย่างอื่นมันก็หมดไป แต่ถ้าเราไม่รวมลงไปทุกลมหายใจเข้าออกมันจะไปหลายแง่หลายงอนหลายมุมหลายท่าหลายต่างจนกระทั่งจิตใจเราเอาไม่ไหวนี่คือว่ามันสังขารมาณกิเลสมานเมื่อมันตุงแจงขึ้นมามากก็ทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของคนเราถ้าหากว่าเราทุกคนทุกดวงใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ ล่วไหลไปในที่ต่างๆจนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจก็ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวานานั่งก็สบายยันนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็มีความสุขสงบบายอย่างนั้นตลอดไปแกียกว่าจิตใจสงบแล้วจิตใจก็เยน็นจิตใจก็สบาย นั่งแบบไหนก็สบายนอนอยู่ก็ภาวนาได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็นึกว่าเราน่มันตายเพราะลมหายใจหมดถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันไม่ตายอย่าเปกวัวตายแม้เราจะนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ใค่จะตายไปตามความนึกนั้นความตายมันมีเหตุการังห่าง จึงต้องตายเมื่อไม่มีเหตุการณ์ของความตายมันก็ตายไม่ได้เวลาที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่อย่างนี้เวลานี้นั้นแหละเป็นเวลาที่จะฝึกฝนอบรมในจิตในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อจิตใจรู้สึกำํานึกตัวอยู่อย่างนี้ ก็ไม่ให้มันหลงไหลไปตามอาการกิริยาอาการภายนอกจองรวมจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นจริงๆสงบกายละสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตลวมใจลงไปให้เป็นดวงเดียวพระพุทธเจ้าท่านรวมจิตใจลงเป็นดวงเดียวไไม่มีหลายใจ เมื่องานภาวนางานภาวนานี้เป็นงานอันสูงงานละเอียดจะต้องมีสติทุกเวลาจะต้องเตือนใจของเราด้วยสติด้วยสติปัญญาให้มีฐานแห่งที่ตั้งสติอยู่ภายในกายภายในจิตนี้ไม่ให้มันหลงลืมไปที่อื ใานั่งที่ไหนก็ให้ใจมานดูมานั่งว่ามันนั่งแบบไหนทำอย่างไรไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายตาเข้ามาทับผมแล้วจิตใจก็จะรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์ผมีแต่ความไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเป็นเครื่องอยู่ท่านไทยชื่อว่าจิตสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียว เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวแล้วเรื่องต่างๆมันเกิดหมดไปสิ้นไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแล้วว่าขึ้นชื่อว่าสังขารมานทิเลสมารขันธามารมารเหล่านี้มาจากทิเลตตัณหาในจิตใจที่เราเลิกยังไม่หมดละยังไม่ได้ จึงจำเก็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นวาระสุดท้ายจึงจะยุตดดิลงไปได้เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันมักจะมีแค่ลวยอ้ำนิ่งคือถ้าหากว่าใจมันสงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวมันก็ามารวมมาสงบมานิ่งแน่อยู่ภายในจิตใจนี่ ดวงจิตดวงใจก็จะรู้สึกสบายเมื่อจิตสบายกายก็พอยสบายไปด้วยเพราะกายกับจิตนั้นมันจริงอาศัยอยู่ถ้ากายไม่สบายเจ็บปวดทุกขเวทนาดวงจิตดวงใจก็กระวนกระวายฉะนั้นเมื่อกายสบายจิตก็เย่อมพอยสบายไปด้วยเมื่อจิตสบายจิตกำหนดรูปนามกายใจได้ เมื่อธรรมดาอันใดมาถึงเข้าจิตมันก็จะได้สงบตั้งมั่นโยภายในจิตใจก็จะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจไม่มีอะไรขัดข้องีนและเราท่านทั้งหลายจงพากันอุปาพยายามการทำความเพียรภาวนาในจิตใจนี้ ไม่ใช่คนอื่นภาวนาให้มันเป็นเรื่องของตัวเองภาวนาให้ตัวเองอยาได้ทั้งเถออยาได้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่งตางๆวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีความตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็ให้ตามรู้ตามเห็นอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้จนกระทั่งสติปัญญา มีความรู้ความฉลาดบัดนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้พาจันสะดับรับฟังพระธรรมคำสัำ่งสอนโดยย่นย่อแล้วก็ให้พาการกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการัละนี สัพพิตโยวิวัชชนตุสัพโลโควินัตะตุมาเตพวัตวันตระโยสุขีธีคาอยู่โกภาวะอาชีวาตนาพีสิจนิจังุทธาปจายิโนจตาโรโอธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาหลังภาวนนะาพระองค์กดเดินก่อนพวกเราทั้งหลาย เมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้เมโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมยืนภาวนาเม่และเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับ ได้แค่ทานดูสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรมต้องโยนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้นะ ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึา้นมามันมักจะหลักไม่ต้องนั่งเดนขึ้นภาวนาพุโทโธในใจถ้าเดินอยู่มันจะหลักไม่ต้องยืนเดินเดินชมกวามกำหนดทางขั้นๆยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอยากไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่พุโทโธในใจ เอาจนจิตใจสงบหลั่งัดเลิกละความกอดความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้กดตังอดตั้งใจภาวนารื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาื่อยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยัอยงไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้ จนหมดลมหายใจตั้งใจว่ายอย่างนั้นมัวตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่ายินมีไม่บารามียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่องไปถ้าบุญบรารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตภาพแก่พอสมควรธาตนี้ก็เล่งภาวนาเข้า อาจจะพ้นทุกข์ไปในวัฏสงสารไปถึงสันติธรมได้ถ้ามาโมลุ่มหลงงัวเมาอยู่ตามอำ น, นาจที่แรกความโกรธโลกหลงนี่งก็จะมาโิดมาทายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาตัดทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าชื่อมนุษย์ มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เก็นใบบาเสียจริตจิดมนุษย์ประการใดให้พาการตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้อง หวและสวดมนนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกๆคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับกม็ไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาโดนจมจมเอาให้มันสนะมารสิเลสในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่า เจ็บที่เตาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยสร้างพุทธศาสเป็นโลกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงากาจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชกว็ายากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครอง ไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องเดดามานดาอนุญาตก็แล้วจึงมาบวชในาศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นขอน้อเนว่า้าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลักเหงานอนเถียงเราจะไม่นั่งเราจะเนื่อจม ท่านก็กาหนดทางสั้นยาวตักกว่าทําสะอาดดีเรีรยบร้อยก็ใช่อ้ดิยาบทยืนเดินโยนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทโอหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปถาัอาจารย์นั่นแหละนึกจะเินอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่า ใส่ลองเข้าก็ไม่ได้แล้วมันปวดหนักเตียนขึ้นมาเอาเท่าเปล่าๆนั้นแหละโดนในแข่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท่านั้นแตกลวดไหลเดนไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเทียน ทีนี้ก็ทำยังไทานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปทานไปเหมือน